โกาสในกเราก็ได้มาถึงเมืองพุการนะเมืองุกาห์แต่ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนามายาวนานแล้วก็มีศาสนาสถานซึ่งเป็นที่ปรากฏเป็นชัดว่าความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหรือว่ามีมากขนาดไหน ดูได้จากเจดีนะซึ่งมีตอนนี้นะก็มากกว่าส0 0พันแห่งมากกว่าพระสงฆ์รัมเนินที่อยู่ในเขตนี้เกือบสองเท่านะก็ถือว่าเป็นโบราสถานซึ่งยังปากโกเทโพเราเห็นที่จริงสิ่งต่างนี้มันก็อาจจะเป็นจารีหรือว่าทำตามตั้งแต่สืบต่อกันมาแต่โบราณนะ มันจะเป็นสิ่งที่ดีจนอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านปริญนี้ผ่านไปนะแล้วเ อ, เ, อเอาอะไรที่ได้เลิกถึงพระพุทธองค์พระเจ้าท่านก็บอก ว, กว่าก็สังเวชนิชฐานทั้งสี่แห่งสิที่ที่ปริสูที่ที่ตัดสัรู้ที่สแสดงถงเทศนาแล้ก็ที่ที่ท่านปริญญนี้ผ่านที่สี่แห่งนี้นะ เวลาคนไปการีคไปไปเดินทางหรือไปพบเหตุก็ขอให้คิดถึงพระพุทธองค์ก็ได้นี่คือสี่แห่งนี้จะมันอยู่ในเขตประเทศอินเดียและประเทนปาล น, นะแต่คนในประเทศอื่นก็มีการนับถือพุทธศาสนาระลึกถึงพระุธองค์เชน่นกันก็คงจะต้องการที่จะมีที่ระลึกถึงซึ่งไม่ต้องไปไกลถึงขนาดที่อินเดียนะหรือชมพูธบีดในอนดีต เขาได้พยายามที่จะสร้างสัฒนสถานต่ตางๆกันมาตั้งแต่พระเจ้าอาโศกมหาราชก็พยายามแสดงหลักฐานต่างๆว่าพระพุทธเจ้าได้ไปแสดงธรรมหรือว่าได้ไปที่ไหนๆบ้างแปดหมื่สี่พันแห่งทําเป็นเสตูทำเป็นเสาอาโศกบ้างเพื่อเป็นหมายเป็นหลักไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านมาที่นี่ทำอะไรบ้างประเทศพ ม, ม่าก็คง ก็ได้รับพุทธศาสนามานานเหมือนกันได้รับตั้งแต่นู่นนะชาวมอนซึ่งเป็นพ่อค้าไปพบพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนท่านทัสรูใ้ใหม่ๆพระพุทธเาท่านก็มอบให้มอบเกจสาให้แปดเส้นเขาว่าแปดเส้นนะแต่แปดเส้นนี้อาจจะเป็นแปดเส้นจริงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเรียกว่าท ร, ร ม, มาทิสถานที่ท่านให้ไว้ว่าเหมือนกับให้ อริยมรรมีองค์แปดนะให้ทางเดินซึ่งเรียกว่าทางสายกลางซึ่งทำให้เราเดินไปสู่ความไม่ทุกขนะ์ชาวมวลทั้งสองคนนั้นแม้ยังไม่เข้าถึงพระระตัตนตัยโดยความโดยใจที่เข้าถึงพระอริยบุคคลแต่ท่านก็เรียกว่ามีศรัทธาเตยมล้นในพระพุทธก็ น, ะนำพระเกศากลับมาสู่ประเทศแล้วก็ ก็มีการสร้างเจดีย์นะนะเจดีย์ชัยวิทกกองก็เป็นที่ปฏิสถานของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแต่กระตัานตอนไห น, นนั้นเราก็ไม่สามารถศึกษารู้กันได้แต่ที่พวกการนี้ก็มีรายแห่งซึ่งเ อ, อมีมีพระเรียกว่าอต <c oughs> ิธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่รายแห่งหรือแม้แต่ไม่ได้มีส่วนที่เป็นของพระพุทธองค์เป็นอัติ ก็ดีแต่การสร้างเจดีก็ทำหให้เราสามารถระลึกได้ถึงพระพุทธองค์เช่นเดียวกันทัานั้นเวลาเราเห็นตะทูพินเจดีหรือเห็นรูปปั้นพระพุทธเจ้าก็ดีถ้าจิตใจเราน้อมแล้วถึงคุณของพระพุทธองค์เจตเราจิตใจก็จะเกิดความความปิติเกิดความสุขแล้วก็จิตก็จะเป็นสมาธิแล้วก็สามารถตั้งมันได้ดี บางทีเราก็น้อมถึงพระพุทธองค์ถึงพุทธคุณของท่านคุณของพระเจ้ามีอะไรนะ่ที่จริงอาจจะเริ่มไล่ไปตั้งแต่นี้ได้นพระเมตตาทีค่คุณพระพุทธเจ้าท่านมีเมตตาต่อสัรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไรบ้างแม้ท่านจะจบกิจนะไม่ต้องวิกิจที่ทํากับตนแล้วแต่ท่านก็ยังมีเมตตาที่จะสั่งสอนอบรมร้อนปวดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในสามแดดโตคธาตุนี้อย่างเรียกว่าไม่ไม่ส่งเบื่อหน่ายหรือว่าไม่ส่งเนหน็ดเหนื่อยพระวรากายถ้ามีพระเมตตาสม่ำเสมอตั้งแต่ท่านตัดสู่จนังถึงปรินิพานไปเราก็น้อมดูถ้าไม่มีพระเจ้ามีแต่พระพระเจงกับพระเจ้ทาท่านรู้ทำมาได้เองแต่ท่านไม่ได้สอนใครหรือบางทีอาจจะไม่ใช่ว่า ถ้าไม่มีความสามารถในการสอนแถมชียุคสมัยไม่พร้อมที่คนจะมาจะมาเรียนมาศึกษาธรรมะมันก็ไม่เกิดความเจริญงอกงามเหมือนกับไม่ได้พันธุพืชนะไม่ได้พันธุ์พืชถ้าบัญชีก็เป็นไม่ไดพันธุ์ที่สมบูรณ์แต่ไปเกิดในพื้นแผ่นดินซึ่มแห้งแล้งก็ไม่สามารถเจริญงอกงามได้แต่ถ้าเม่ได้พันธุหนึ่งไปเกิดในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ มันก็จะสามารถเจริญ ง, งอกงามเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็สามารถแผ่กระจายพันธุ์ออกไปได้อีกกว้างไกลเช่นเดียวกันการที่มีพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันท่านก็เหมือนกับไม่ได้พันธุ์ซึ่งเป็นไม่ได้พันธุ์ไม่ได้แล่ซึ่งเจริญ ง, งอกงามในพื้นดินที่สมบูรณ์เติบโตขึ้นมาก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ะเป็นร่มโผโรตร่มไสรให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายได้พึ่งพา ได้กลดเพิืมองความทุกข์ออกไปจากจิตใจต่างๆพระทถรอมท่านก็เป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ได้พันนี้ก็ขยายแผ่กว้างไปในหลายประเทศที่จริงเขาเรียกว่าในตามแดงโลกธาตุเนี่แหละท่านก็ขยายพระธรรมออกไปนี่คือพระเมตตาที่คุณที่บตเจ้าท่านโปรดสรรพตั้งหลายลเมตตาก็ตามมาด้วยความกรุณาในการที่จะช่วยเหลือ ไม่มีความรับความพัฒ น, นาดีอยากให้เขาพ้นทุกข์ก็แสดงความรับความพัฒ น, นาดีนั้นก็คือความกรุณนานช่วยเหลือช่วยเหลือโดยการให้ธรรมะนี่แหละการให้ธรรมะเป็นการให้ที่เรียกว่าให้คุณยิ่งกว่าการให้ทั้งบ่วงเราก็น้อมดูว่าบางทีเราก็กลับมาดูใจเราเองม็ได้ใจเรามีเม่ตาความพัถ น, นากับคนอื่นมากเท่านั้นไหนเวลาเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากหรือเวลาเห็น คนที่เราไม่รู้จักนะแล้วจิตใจเราเป็นเช่นไรเราก็ลองตรวจสอบดูก็ได้อย่างเรามามาที่นี่เราก็เออสังเกตเนาะคนพม่าะนะจะเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีอ่ากาเห็นกลุ่มพวกเราเขาก็มีจิตใจที่พร้อมจะช่วยเหลือมีความรู้สึกเป็นมิตรอ่าต่อคณะพวกเราค่อนข้างมากนะในการต้อนรับขับสู้ในการเดินทางในการพักอาศัยดูแล้วเออเขาก็ กระตุ้นตัวรถในความที่จะช่วยเหลือพวกเรานี่ยแทงว่าจิตใจเขาก็มีเมตตามีความกรุณามากนะเห็นคนที่เหมือนเพิ่งรู้จักกันแต่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะนําทางพร้อมที่แนะนําต่างๆนนี้มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมกันนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าจิตใจมีเมตตามีความกรุณานี่มันก็เป็นจิตใจที่เรียกว่ามันมีความสุข ถูกที่เกิดจากการได้ให้ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเป็นการให้โดยที่เรียกว่าให้กับยิ่งให้กับคนที่เราไม่รู้จักคนที่เพิ่งรู้จักเนี่ยมันยิ่งเหมือนมันแต่ว่าจิตใจเ้าพร้อมเขาเปิดเขาเบิกบานไว้อยู่แล้วแต่การให้เฉพาะคนที่เรารู้จักคนที่เราคุ้นเคยนั้นก็ให้ง่ายๆแต่การให้กับคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยบางทีมันก็เรียกว่าทาได้ยากกว่า แต่ก็มันก็อาจจะมีไหลองค์ประกอบกันไปแต่ก็เห็นว่าคนพม่านี่เขาก็มีความเป็นมิตรภาพกับกับแขกผู้่มาเ้เยือนนะแขเแข็ผู้มาเยือนประเทศโดยเฉพาะในศาสนาสถา น, นต่างๆอันนี้ก็เขาก็ได้ตืบนทอดนะความมีเมตตาแล้วก็ความกรุณาที่พระพุทธเจ้าท่านท่านเผยแพ่ก่อกันมาแล้วก็กลับมาทบทวนจิตใจของเราด้วยบางที เราค่กยยอ ม, มองมองย้อนกับมาที่ใจเราเรามมีความรักของปรารถนาดนะีความเมตตากับกับัตถ์ทั้งหลายไม่เห็นแล้วมีความปยาบาตเบียดเบียนโกรธเคืองหรือว่าดูแล้วไม่ค่อยถูกชะตาหรือเปล่าเนี่ยแต่บางทีเราก็ไม่ใช่ว่าดูแล้วเพื่อที่จะเราถูกเอาผิดในใจตัวเองแต่ถ้าเราเห็นสภาวะใ น, ในใจิตใจของเราเองอ จิตใจมันก็จะเรียกว่ามันก็จะได้ความรู้ความเข้าใจตรงนั้นบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเมตตาไปทั้งหมดนะหรืบางทีมันก็เฉยๆนั่นแหละแต่ขอให้เรากลับมาทบทวนดูใจของเราเองกาใจเป็นเช่นนี้เนาะใจบางทีมันมีความเฉยๆหรือใจบางทีมีความรู้สึกไม่ค่อยถูกไม่ค่อยถูกชะตาเราก็กลับมาทบทวนดูใจของเราเองพอเราเห็นมีสติเห็นในใจมันก็สามารถเรียกว่า ตัดอกุศลที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งใดที่มันเป็นความคิดคนรู้สึกที่อกุศลอมันก็สามารถทําให้เกิดงอกงามไปได้มีความเมตตามีความกรุณาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือตามการะเทสัตที่สมควรนะแต่ถ้ามีอกุศลอะไรเกิดขึ้นเมื่อสติรู้ทันมันก็ตัดมันก็ละได้ก็นี่แหละนะอกุศลก็ไม่งอกงามกุศลก็งอกงามอันนี้ก็เป็นความเพียร ซึ่งเราสามารถทำได้นี่ก็ต่อที่พุทธคุณของพระเจ้านอกจากเมตตาแล้วรุนารงสิ่งที่ท่านมีนะก็คือเรื่องปัญญาแล้วก็ความบริสุทธิ์ปัญญาในการเห็นความจริงนะของธรรมชาตนะิเข้าใจถึงสังขาร น, นะปัญญาคือการที่รู้รอบในกองสังขาร ของสังขารคือกองของร่างกายแล้วก็จิตใจนี่แหละรู้ว่ารู้จบรู้คบรู้ท้วนรู้ถึงความเป็นไปของสังขารว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรว่ามันไม่ใช่ตัวตนอย่างไรรู้แล้วไม่ยึดไม่ติดรู้แล้วปล่อยวางเรื่องของสังขารได้เห็นสังขารที่เกิดขึ้นร่างกายนี้เนี่ยจะเป็นร่างกายอย่างไหนก็แล้แต่ของที่เรียกว่า ยืมมาใช้ชั่วเผ่านะเหมือนกับคล้ายๆเปลือกหอยกับหอย <c oughs> เช่นหัวปูปูเศษปูเศษฉวนนี่นะกระดานมันเล็กๆมันก็อาศัยเปลือกหอยที่มันเล็กๆ ม, มันโตขึ้นมามันก็ไปอาศัยเปลือกหอยใหม่หอยกับตัวมันมันก็เป็นคนละส่วนกันเหมือนกับ ร, ร่างกายแล้วก็จิตใจมันก็เป็นคนละส่วนกัน ร่างกายนี้ก็เปลี่ยนแค่การยืมมาใช้ชั่วข้าวนะแต่จิตใจนี้ก็เปลี่ยนพพเปลี่ยนชาติไปเรื่อยๆแต่จริงจิตใจถ้าไปดูในแง่ว่ามันเป็นมันคล้ายๆเป็นของที่มันเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเดี๋ยวที่มันเปลี่ยนด้านไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่มันไม่ถูกทั้งหมดหรอกนะแต่มันถูกในแง่อธิบายให้เห็นว่าร่างกายแล้วก็จิตใจเป็ น, สสนคุณสมบัต่เดียวกัแต่แท้จริงแล้วจิตใจก็มีการเกิดการดับ ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงแท้ถาวร น, นะเพราะจิตใจที่เป็นยังอยู่ในสภาวะสังคาญก็คือการเกิดการดับการเปลี่ยนแปลงไฟนั้นมันเป็นเรียกว่าเป็นอาการของจิตมากกว่าเป็นอาการของจิตที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่มากระทบะตามเหตุตามปจัจจัยที่ที่เกิดขึ้นกับจิตนะมีความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์ความสงบความไม่สงบเกิดขึ้น นั่เป็นอา ก, การที่เกิดขึ้นกับจิตนะเด็กจะเรี ย, รยว่าจิ ต, ตสังขารก็ได้ น, นั้นเป็นแค่อันนั้นก็ยังไม่ใช่ของเที่ยงไม่ใช่ของแท้ของแน่นอนเราจะไปเอาอะไรกับความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนต่างๆเหลงนั้นย่อมเอาไม่ได้นะจะเอาว่าเราสุขเอาว่าเราไม่สุขเอาว่าเราสงบเอาว่าเราไม่สงบเอาว่าเราดีเอาว่าเราไม่ดีเอาไม่ได้นะไปเอากับสิ่งต่ตางๆนั้นไม่ได้ สิ่งต่างนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตชนเช่นกันมันเป็แค่อาการที่เกิดขึ้นชั่วคราวความสุขก็เกิดขึ้นชั่วคราวควา ม, มเพลิดก็เกิดขึ้นชั่วคราวความงสงบก็ เ, เกิดขึ้นชั่วคราวความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นมีแต่ของชั่วคราวเท่านั้นเจ้าของชั่วคราวเป็นของเราย่อมเป็นไปไม่ได้เห <tomatoes. S 1> มือนกับเราจับไฝคว้าจับลมที่ใดมันก็ไม่สมามารถจับได้นะลมก็พัดผ่านไป เมื่อเราจะคว้าน้ำในแม่น้ำก็จ่อมคว้าไม่ได้นะ่ะมือเราไม่สามารถคว้าได้ทังนั้นการที่เราจะไปยึดอาการ ข, ของจิตนะ่ะว่าเป็นของเราก็จ่อมเป็ดไปไม่ได้แต่คนทั้งหลายก็มาจะไปหลงยึดว่าสิ่งต่างนี่มันเป็นของเราอันนี้คือการที่เรายังไม่เกิดปัญญาเห็นความจริงของสังขารคือร่างกายและก็จิตใจนั้นเวลาเราน้องถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ ขอให้เราได้มีความเพียรเด้งในการภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาให้การเห็นความจริงนี่นะพอความจริงร่างกายแล้วก็จิตใจนี่ไม่ใช่ของเราเราจะไปหลงว่ามันเป็นของเราอันนี้เป็นตัวปัญญาซึ่ง <c oughs> ประเสริฐแล้วก็เลิศกว่าปัญญาภายนอกนะปัญญาภายนอกก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ปัญญาภายในคือการเข้าใจเรื่องของสังขารร่างกายแล้วก็จิตใจนี่แหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งสูงสุดนะ เมื่อเราเข้าใจความจริงนี้มันก็เกิดแตสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิมุตติก็คือความเดือดพ้นเป็นความบ้างจากความเป็นตัวตนและเป็นเรียกว่าเป็นพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ส่วนเนี่พระเมตตาทิ่คุณพระกรุณาทิ่คุณพระปัญญาทิ่คุณแล้วก็พระฮาบริสุทธทิ์ทีคุณนี่นพอเราเห็นศาตนกสถานจะเป็นสถูกก็ดีเป็นเจดีสดี เป็นพระพุทธรูปก็ดีหรือเป็นรูปวาดก็ดีถ้าจิตใจเราน้อมถึงพระบุตรคุณพระพุทธเจ้าเช่นนี้เราก็กลับมาย้อนดูที่ตัวเองด้วยนะมาเพิ่มความเมตตาความกรุณ า, าเพิ่มปัญญาเพิ่มความบรสุทธิ์ให้เกิดขึ้นนะในการปฏิบัติธรรมนี่แหละนะมันจะเพิ่มสิ่งต่างวันนี้ให้มัน พ, อพ่อคุณมากขึ้นอะไรที่มันเรียกว่าทําให้เกิดความหลง มันห้เกิดการยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนอันนั้นแหละเป็นทางความกั้นทําให้สิ่งต่างนี้มันเรียกว่าเกิดขึ้นแน่นอนหลยเนียเรียกว่ามันเกิดขึ้นหรือว่าทําให้มันหลงทิศผิดทางไปพอเรามีสติกันมาดูกายดูใจของเราแล้วก็เมตตามันก็มากขึ้นนะกรุณามันก็มากขึ้นปัญญามันก็มากขึ้นท่อคูมากขึ้นความบริสุทธิ์บุดพ้นมันก็เกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นสติมันจะช่วย หนึ่งตางเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ได้บ่อยได้ทีเมื่อเกิดขึ้นได้บ่อยได้ทีมันก็มันก็กลายเป็นนิสัยใหม่นะนิสัยที่ที่เคยเห็นแก่ตัวมันก็จะกลายเป็นนิสัยซึ่งมีความเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายอนิสัยที่เคยนะเรียกว่าเคยคิดที่จะเอาอย่างเดียวพอมีสติมันก็จะ มีความคิดที่จะให้อื่นๆมากขึ้นนิสัยที่จะเคยมองอะไรต่างๆเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราไปทั้งหมดมันก็จะมีนิสัยในการเห็นความจริงใหม่ว่าแท้ที่จริงแล้วต่างๆก็ไม่ได้ของเราเป็นของชั่วคราวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตหรือเป็นสมมุติที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นจะว่าร่างการนี้เป็นของเรามันเป็นของเราที่ไหน แล้วก็ผูดพังนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปให่เห็นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจิตใจนี้เป็นของเราเป็นของเราที่ไหนสามารถบังคับมันได้ไหมบังคับให้มันเกิดความสุขตลอดได้ไหมบังคับให้เกิดความสงบได้ไหมบังคับให้มันดีตลอดได้ไหมถ้ามันเห็นแน่ีน่มันบังคับได้ที่ไหนมันบังคับได้ก็ต้องเป็นตัวเป็นตนแต่นี้มันไม่สามารถบังคับได้ไม่สามารถบังคับได้ เมื่อสิ่งที่ไม่สามารถบังคับได้อาจจะว่าเป็นตัวเป็นตนได้ไหมก็มองไปมองไปทวนลงไปตรงนี้เนี่ยจะใช้กําลังของสมาธิจิตที่เกิดความสงบแล้วก็พิจารณาก็ได้หรือจะใช้การที่มีสติตั้งมั่นคอยสังเกตอาการที่เกิดขึ้นจะถ้ามนเกิดปัญญาเลูกยอดเข้าใจความจริงตรงนี้ก็ได้เนี่ยการ ท, าทําเช่นนี้จะทําให้เราได้ เราเลกถึงเราอลถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วทําให้จิตใจมันเกิดธรรมะเกิดขึ้นไปในจิตไป ใ, ในใจของเราด้วยการที่เรามองมองย้อนกลับตัวมาตอนนี้จะทำให้จิตใจเราเพิ่มพูนธรรมะแห้ทําให้จิตใจเราเข้าถึงธรรมะไปในพุทธสถานต่งตางๆเห็นแล้วก็เกิดความสุขความสงบแต่ก็ไม่ติดกับความสุขความสงบนั้นเห็นว่าความสุขความสงบนั้นมันเกิดขึ้นกับจิต แต่ต้องไม่ใช่เราเป็นผู้สุขผู้สงบมันเกิดขึ้นกับจิตท่านนั้นนะไม่ใช่ตัวไม่พิสดาะไรแม้มันจะเกิดไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรก็ดูมันไปเป็นผู้ดูอาการที่เกิดขึ้นเป็นผู้สังเกตอาการที่เกิดขึ้นเป็นผู้เรียนรู้กับอาการที่เกิดขึ้นถ้า มีจิตตั้งมั่นดูเช่นั้นก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรของใครนะแต่มันเป็นจิตแม้มไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่มันสามารถฝึกได้นะไม่ใช่ว่าเมื่อมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถบังคับได้นะก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกระแสของมันไปสุขป้างทุกข์ป่าง หรือว่าทำตามความอยากไปต่างๆเรื่อยๆไม่ต้องปไปบังคับไปเปลี่ยนแปลงอะไรอันนั้นก็ไม่ใช่อันนั้นเป็นการทําไปตามความไม่รู้แต่ถ้าเรามีสติเรามีปัญญาเราจะมีความรู้เห็นว่าแม้จิตจะบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของของเราแต่จิตนี้สามารถฝึกได้เพราะถ้าจิตมันไม่ฝึกมันก็พาให้เกิดแต่ความทุกข์พาให้เกิดแต่ความหลง แต่จิตนี้เป็นสภาวะที่สามารถฝึกได้ฝึกให้เข้าถึงความรู้ฝึกให้รับความหลงได้ฝึกให้เข้าถึงปัญญาที่แท้จริงได้ฝึกให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดได้นี่จิตเป็นอัสสาวะเช่นนี้แม้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของใครแต่ก็ต้องฝึกเพราะว่าถ้าจิตไม่ฝึกนะมันก็ไหลลงต่ำไปเรื่อยๆไหลไปสู่ความทุกข์ภากายภาใจนี้ไปสู่ความทุกข์ มากมายนะเราก็เข้าถึงคทณของพระัชนไตจได้โดยการเห็นนี่แหละเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับการกับใจหรือเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับสิ่งภายนอกดูสัตวนัสัฐานต่างๆนะเห็นสิ่งที่พระเจ้าท่านได้กระทำ ม, มาเราก็เห็นความจริงของธรรมชาติอยู่เช่นนั้นแล้วก็จะทำให้จิตใจเราก็ถึงความเป็น ความเป็นส่งได้นะความเป็นส่งจากการที่เห็นความจริงนี่แหละเห็นความจริงตามคําสั่งสอนของพรุทธเจ้าเห็นความจริงที่เป็นอยู่แล้วน่ะมันมีอยู่แล้วเพราะมันจริงแม้มีพรุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ตามแม้ไม่มีพระเจ้าตรัสรู้ก็ตามแต่ความจริงมันก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีผู้รู้มาบอกก่อนแล้วก็เป็นการยากจริงๆที่เราจะเห็นเพราะสิ่งต่างๆนี่มันขัด มันขัดกับพมิชาขัดกับกิเลสจริงๆนะถ้าเราไม่พวนไม่ฝืนหรือไม่มีผู้ที่บอกทางไกด์ไลน์ให้กับเราก่อนเราจะทำได้ยากมากเพราะว่าไอความจริงนี้มันมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเหมือนของทางตาหรือมีสิ่งต่างๆมาบังตาให่เราเห็นผิดนะแค่เห็นผิดนิดนึงนะมันก็พาดงทิ่ปิดทางไปละเหมือนกับเข็มทิศนะถ้า ถ้าองศาผิดนิดนึงนะเริ่มแรกมาจะดูเหมือนใกล้ๆเคียๆกันไปแต่พอไกลไปเรื่อยมันก็ยิ่งแตกออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆอันนั้นแม้การเดินทางถ้าเราเดินทางผิดนิดนึงมันก็พาให้เราหลงทางนะไปได้ง่ายนั้นสิ่งที่พระเจ้าท่านรู้ความจริงแล้วต้องมาบอกสอนต่อความจริคนี้เนี่ยมีผู้สืบทอดความจริง น, น, นะงงนี้ถึงยุคถึงสมัยของเราเนี้ย ก็เป็นสิ่งที่เรียว่าหาได้ยากแล้วดังนั้นก็เพื่อการไม่ประมาทในชีวิตของเราดังนั้นพบชาตินี้ที่เราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติภาวนาเนี่ยถือว่าเป็นพบชาติที่ประเสริฐสุดเอี่ยไปรอพบชาติอื่นให้อาศัยเอาพบชาตินี้แหละเป็นพบชาติสุดท้ายของเราในการที่จะทําให้ถึงที่สุดในวามทุกข์ให้ได้นะ ถ้าเราไปคิดว่าชาติหน้าจะทำไม่ถึงไม่ได้ละ่ะต้องเป็นตอนนี้ต้องเป็นวันนี้ได้ทั้นะ่ะไม่ใช่แค่พรบนี้ต้องเป็นตอนนี้ขณะนี้เท่นานั้นไปรอโอกาสอื่นมันไม่ใช่ของจริงนะ่ะเพราะชีวิตของเรามันก็ไม่เที่ยงไม่แท้แน่นอนจะตายวันตายพุง่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เราทำให้มันดีที่สุดนะ่ยแต่มันจะถึงที่สุดหรือเปล่าเป็นเรื่องของ อีกเรื่องหนึ่งแต่เราจะทําให้มันดีที่สุดถ้าเป็นโอกาสถ้าเราได้จเจริญสติในทุกในทุกที่ทุกสถานนะจะเดินมรรณสติหรือจะเตินความไม่ประมาทในชีวิตนะก็คือการทําให้จิตมันเกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนนะมีปัญญาเห็นต่างๆ่างเหล่านี้กนะ็เป็นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วฉะนั้น จะไปดูอะไรก็ดีจะไปฟังอะไรก็ดีจะไปสัมผัสอะไรก็ดีก็จะมย้อนกลับมาดูจิต ด, ดูใจของเราจะเป็นการเข้าถึงนะสังเวชนิยสถานนะที่ไม่ใช่แค่ตี่แห่งในติดตำบลแบบเทศอินเดียแต่เราไปอยู่ที่ไหนเราก็เกิดความสังเวชนะสังเวชก็คือการเห็นความจริงนี่แหละนะเห็นว่าสิ่งต่างๆมันเป็นของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตน ไม่มีแก่นสารไม่มีสาระอะไรนะ่ะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะบางอย่างเกิดขึ้นนานบางอย่างเกิดขึ้นไม่ น, นานแต่ก็ไม่ใช่ตินที่จะเทียมแท้ทาวรอะไรก็สังเกตดินต่างเล่านี้ไปนะแม้ดินแดนไหนจะมีพุทธศาสนาดินแดนไหนไม่มีพุทธศาสนามันก็เป็นเช่นนั้นแต่การที่เราได้มาเห็นความเจริญรุ่งเรืองอย่างเช่น เมื่อพูด ก, การนี้มันก็เห็นอ้อศัทธาของของผู้คนที่มีกับพระพุทธศาสนาก็มีมากมายเจดี JD ก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเราเห็นเจดีก็เหมือนกับเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่งนะหรือเราเห็นคนที่ประพฤติดีประพฤติชอบก็คือเขาก็คือพระพุทธเจ้าคนหนึ่งเหมือนกันนะเป็นผูเป็นผู้รู้เป็นผู้ทําตามผู้รู้มันก็ไปสิ่งที่สามารถทำได้ขึ้นสุด แล้วก็ย้อนมองกลับมาย้อนดูตัวเองตอนนี้รู้ไหมหรือว่าตอนนี้หลงไปนะ่ะก็กลับมาดูตอนนี้กิเลสเกิดขึ้นหรือว่ากุศลเกิดขึ้นมีสติปัญญาเกิดขึ้นก็มองย้อนกลับมาดูต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเนี่ยมันก็จะได้ธรรมะในทุกที่ที่เดินไปในทุกที่ที่ได้สัมผัสนะก็จะมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตนะ่ะ ทำให้จิตไม่หลงไปกับสภาวะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเนาะนะก็ดีที่ได้เดินทางร่วมกันแล้วก็ได้เห็นเรื่งตา่างร่วมกันนะแต่สิ่งที่จะเห็นภายในเนี่ยเห็นไม่เหมือนกันนะสิ่งภายนอกอาจจะเห็นเหมือนกัน ม, JD, มีเจดีมีเรื่ต่างๆมีเรืนต่างใกล้เคียงกันแต่สิ่งภายในเป็นสิ่งที่เราจะต้อง เห็นในตัวของเราเองก็จะเห็นมากน้อยขนาดไหนอาจจะเหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เป็นนายหลักแต่ขอให้เห็นเราเอามารวมเดียวมารวมลงจุดเดียวกันคือเห็นสภาวะของพระไตรลักษณ์ของสิ่งต่างที่เกิดขึ้นกับกายสัะจิตนี้ไม่เห็นสภาวะไตรลักษณ์ต่างๆนั้นได้มันก็จะเห็นสภาวะที่ไม่ใช่ไตรลักษณ์ก็คือความเรียกว่าสภาวะานิพพานก็คือสภาวะที่ มันเป็นอะไรกับอะไรนะไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการดับไปนะแต่เป็นสภาวะที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของใครเป็นสภาวะความบริสุทธิ์นะความที่ไม่ทุกข์เป็นสภาวะที่เที่ยงนะแต่เที่ยงแบบไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเป็นความสุขแต่ไม่ปิดแต่ก็ไม่ใช่เป็นสภาวะที่หจะต้องไปเจอกับความสุขมันเป็นสภาวะเช่นนั้นถ้าเราเห็นความจริงแล้วก็จะทํางานสัมผัสกับ สภาวะฟันิพานคือความไม่ทุกได้ซึ่งมีในคนทุกคนทุกประการทั้งหลายอยู่แล้วนะก็เราได้รึกถึงเป็นต่างวันนี้นในชีวิตประจำวันตลอดเวลา